เนี่ยมาดูในจริยาปิดกต่อจากครั้งที่แล้วเนี่ยนะในชยทิตจริยาข้อสิบก้าหน้าส4 2โอ้เดินทางเกือบครึ่งทางพระองค์ตรัสเล่าให้พระสารีบุตรฟังว่าอันหนึ่งเนี่ยนะเมื่อเราเมื่อพระราชาส่งพระนามว่าชยทิตพระองค์นี้ส่งประกอบด้วยคุณ นะสีลคุณพระองค์นั้นสเสวยสมบัติอยู่ในพระนครอันประเสริฐชื่อว่ากปิลาเป็นนครอุดมในปัญจาลรัฐน์เราคือเรานั้นคือพระพุทธเจ้าเนี่ยในอดีตพระองค์เป็นโอรสของพระราชาพระองค์นั้นเป็นโอรสที่มีธรรมะอันสดับแล้วคือเป็นโอรสที่เป็นพหูสูตรคือเป็นนักศึกษาที่ร่ำเรียนมามากเป็นผู้มีศีลงามมีนามว่า อาลีนสัตตกุมารมีคุณสงเคราะห์บริวารชนอยู่ทุกเมื่อนะหมายค่ะว่าพ่อก็เป็นผู้มีคุณธรรมลูกก็ศึกษาเล่าเรียนมาครบถ้วนกระบวนวิชาและขณะเดียวกันก็เป็นคนที่สงเคราะห์บริวารถ้าสงเคราะห์บริวารบริวารก็รักวันหนึ่งพระบิดาของเราเสด็จไป เ, เสด็จไปล่าเนื้อ คือหมายความว่าไม่ใช่เฮี้ยมโดยอัธยาศัยแต่ว่ามันเป็นกีฬาอีกอย่างหนึ่งเหมือนกัน น, นะมันเป็นการละเล่นอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันที่เรียกว่าเป็นการฝึกการที่สมั ย, หมยใหม่ที่เราไปตีกรอบนะสมัยนั้นก็คือไปล่าเนื้อก็ใช้วิทย์เพรต้องไปเดินป่าเพื่อการผ่อนคลายเพื่ อ, อมีเวลาทบทวนกิจาการบ้านเมืองเป็นต้นแต่ว่าไอ้ไอประสงค์หลักจริงๆไม่ใช่ไปล่าเนื้อแต่ว่าถือว่ากิจกรรมอันนี้เพื่อที่จะได้มองภาพของการบริหารบ้านเมืองเป็นต้นนี้ออกขึ้น ทีนี้พระบิดาของเราก็เสด็จไปล่าเนื้อสรงพบพญาโปิษาตพญาโปิษานั้นได้จับพระบิดาของเราและกล่าวว่าท่านเป็นอาหารของเราท่านอยาดินรนพระบิดาของเรานั้นสดับคำของพญาโปิษานั้นทรงกลัวสะดุ้งหวาดวันพระองค์นั้นมีพระเพลาในแข็งกระดัางแปลว่าขาชาเลยเหนนเพราะทอดพระเนตรเห็นพญาโปิษาตถ้าขาชาแล้วทาไงได้ วิ่งได้ออกไหมพระยาโปริศาสก็รับเอาเนื้อนั้นรับเอาเนื้อนั้นแล้วก็ปล่อยไปโดยบังคับให้กลับมาอีกพระบิดาพระราชทานทรัพย์แก่พราหมณ์แล้วตรัสเรียกเรามาว่าลูกชายจงปกครองราชสมบัติจงอย่าประมาทครองนครนี้พระยาโปริศาสตบังคับเราให้กลับไปหาอีกคนสมัยเขาก็รักษาสัจจะวาจาดี เราถวายบังคมพระมารดาพระบิดาแล้วตกแต่งร่างกายสะพายธนูเหน็บพระแสงขันออกไปหาพระยาโปริษฐทเราคิดว่ า, านะเรียกว่าเตรียมอาวุธเบ็ดเสร็จแล้วก็เดินไปพอไปใกล้ถึงเราก็คิดว่าพระยาโพริษฐทเห็นมือถืออาวุธบางทีนี้จะต้องสะดุ้งกลัวแต่เพราะเมื่อเราทําความสะดุ้งกลัวแก่พระยาโพริษฐทศีลของเราก็จะเศร้าหมองอนะ เขาตกใจเดี๋ยวศีลเราเสียหายหมดหมนกันนะนะกลัวศีลตัวเองจะเศร้าอมองเพราะเขาตกใจเพราะเรากลัวศีลของเราจะขาดจึงไม่นําสิ่งที่น่าเกลียดคืออาวุธเข้าไปใกล้พระยาโบริสัทธานั้นเรามีเมตตาจิตกล่าวคำเป็นประโยชน์แล้วก็ได้กล่าวคำนี้ว่าท่านจงเอาแก่นไม้มาก่อไฟให้เป็นกองใหญ่เราจะกระโดดเข้าไฟท่านเป็นผู้พระปิดตุจฉาคือ คือลุงเนี่ยนะสั้นทราบเวลาว่าเราสุขดีแล้วก็จงกินเถิดเราไม่รักษาชีวิตของเราเพราะเหตุแห่งพระบิดาผู้ทรงศีลคือพ่อข้อพเจเป็นพ่อดีจริงๆเลยนะไม่รักษาชีวิตของเราเลยสละชีวิตถือว่าชีวิตนี้ยกให้แก่แก่พ่อเพราะฉะนั้นไม่อะไรในชีวิตยกชีวิตให้แก่พ่อ เราได้ให้พระยาโปริศาทผู้ฆ่าสัตว์เป็นปกติทุกเมื่อบวชแล้วชนี้แลนะพระยาโปริศาทนั้นก็อดีตของของใครเป็นอดีตชาติของพระองค์คุลิมานเนี่ยนะใช่โปริศาทนี้เป็นพระองค์คุลิมานในชาดกพองค์ก็เล่าว่าพระองค์นั้นสงเคราะห์องค์คุลิมานให้พ้นจากทุกโทษไม่ใช่แต่ชาตินี้นะแม้ในอดีตพระองค์ก็เคยสงเคราะห์องคุลิมานแล้ว พูดถึงอัตถกถาจริยาปิดกชยทิศจริยาที่9เนี่ยนะที่กล่าวถึงยกย่องชมเชยคุณของพระราชาเนี่ยพระราชาชยทิศว่าศีลักขุณะนุปาคโตคือพระองค์นั้นทรงประกอบด้วยอาจารยศีลและคุณธรรมของพระราชามีความสมบูรณ์ด้วยอุตสาหะเป็นต้นก็หมายความว่าพระราชาพระองค์นี้เนี่ยอยู่ในอาจารยศีล คือท่านเป็นผู้มีปกติบำรุงบิดามารดาเป็นเป็นพระราชาที่สงเคราะห์บุตรสงเคราะห์ภรยาเป็นคนที่สงเคราะห์อาณาประชาราษฎรสงเคราะห์ชาวเว่นแคว้นขณะเดียวกันพระองค์ก็ยังมีอุตสาหะภาคเพียรพยายามเป็นผู้ที่ทำทุกอย่างด้วยสติและปัญญาเป็นผู้ที่มีเมตตาเป็นผู้ที่มีการุณานั้นมุ่งสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์ต่อ ตอบบริวารชนเป็นต้นมันท่านจริงเลยเรียกว่าเป็นผู้ประกอบด้วยศีละคุณและก็คุณธรรมของพระราชาเนี่ยนะโดยศัพท์นั้นพระราชานี้แปลว่าผู้สงเคราะห์ชนเราอื่นด้วยสังฆะวัตถุ4ประการนั้นคําว่าพระราชาก็คือผู้ที่เกิดมาเพื่อสงเคราะห์ประชุมชนตําแหน่งนี้เขาแต่งตั้งให้สงเคราะห์ประชุมชนนะเดิมทีเลยคําว่ากษัตริย์ เป็นต้นนั้นผู้ที่สูงเนี่ยคือคนที่สงเคราะห์ประชุมชนนั่นเองเป็นเหมือนกับพ่อของอย่างสมัยก่อนประเทศไทยเราก็เรียกพ่ออยู่แล้วนะพ่อขุนรามคําแหงพ่อขุนเมงรายเขาก็เรียกว่าพ่อเพราะท่านเหล่านั้นปกครองอาณาประชาราษประดุจลูกท่านรักบริวารชนดุจลูกพระราชาพระองค์นี้ตั้งอยู่ในคุณธรรมเพราะพระองค์นั้นสงเคราะห์อนุเคราะห์มูอาณาประชาราษ ทีนี้เราเนี่ยนะก็ได้เป็นโอรสของพระราชาพระองค์นั้นอะฮังปุตโตอโหสิงก็เป็นลูกของพระเจ้าชยทิตย์พระองค์นี้แหละสุตะธรรมโมคือชื่อว่าธรรมะอันราชบทนั้นนิ่งสดับหมายเขาว่านิ่งสดับนะไม่ใช่ได้อะไรนะนิ่งสดับนิ่งฟังจริงๆมีสุตตะมายญาญจริงๆไม่ใช่แววผ่านหูพัน <c oughs> สุตะธรรมโมก็คือทรงธรรมที่ได้สดับไว้เป็นอย่างดีหมายเขาว่า คำว่าทรงเอาไว้เนี่ยนะหมายว่าเข้าใจเลยฟังเลยว่าถ้าฟังสิ่งที่ควรละก็ฟังเพื่อจะละฟังสิ่งที่ควรเจริญก็เพื่อจะเจริญอย่างเช่นฟังอกุศลกรรมบทก็เพื่อจะละอกุศลกรรมบทโดยประการทั้งปวงฟังกุศลกรรมบทก็ฟังวิธีการเจริญกุศลกรรมบทฟันท่านแยกประโยชน์ออกแยกออกว่าฟังอะไรฟังเพื่อเอาละนะฟังเพื่อเพื่อทิ้งทิ้งบาปทิ้งอกุศลเนี่ยทิ้งได้อย่างไร ฟังแล้วเพื่อเพิ่มพูนบุญเพิ่มพูนกุศลเพิ่มได้อย่างไรเขาก็เลยเรียกว่าเป็นพหูสูตรทั้นคนที่คําว่าผู้เรียนมามากคือรู้ว่าอะไรควรละและอะไรควรเจริญนั่นเองหรืออีกในหนึ่งเขาบอกว่าสุตธรรมโมมีธรรมะอันปรากฏแล้วคือปรากฏชื่อเสียงด้วยธรรมจ ร, ริยาสมจ ร, ริยาอ่ะนะธรรมจ ร, ริยาก็คือประพฤติเป็นธรรมสมจ ร, ริยาก็คือประพฤติสม่ําเสมอสมะก็คือเสมอนั่นแหละ เสมอก็คือมีเสมอทางไหนเสมอทางกายเสมอทางวาจาและเสมอทางใจเป็นผู้ที่ประพฤติ ธ, ธ ร, รมประพฤติสม่ำเสมอขณะเดียวกันนั้นชื่อเสียงของพระองค์ท่านก็เป็นเกียรติแพร่หลายไปในโลกว่าอะลีนะสตตกุมารอาศีลสัตตกุมารคนนี้เป็นผู้มีคุณประกอบด้วยคุณของมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยนะก็เป็นคนที่เป็นมหาบุรุษคําว่ามหาบุรุษก็คือชนผู้เกิดมาในโลก เกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชาวโลกนนะต่อไปบอกว่าอนุรักษ์ะปริชโนสัทธาขณะเดียวกันท่านก็สงเคราะห์คำวมาสงเคราะห์เนี่ยมาจากอะไรกรุณาน่นแหละปกติแล้วท่านมีใจกรุณานในชนทุกเมื่อคือแลดูบริวารชนตลอดการเพราะประกอบด้วยคุณวิเศษมีศรัทธาเป็นต้นท่านก็มีศรัทธามีกรรมสกตาศรัทธาเป็นต้นเพื่อจะสงเคราะห์ บริวารขณะเดียวกันท่านก็สงเคราะห์บริวารด้วยสังขหาวตถุ4ประการ น, นะเข้าเดือดร้อนเรื่องวัตถุก็ให้วัตถุไปอันนี้เรียกว่าทานขณะเดียวกันก็ทานปิยวาจาท่านก็คำพูดที่ปิยวาจาคำพูดที่เป็นที่รัก น, นะใช้คําพูดเป็นที่พอใจของผู้ฟังประพฤติอัตจริยาหมายความว่าทําตัวให้เป็นประโยชน์แก่เขาและก็สมานะตาตาก็คือเป็นคนที่วางตัวเป็นนั่นเอง นะมีการให้มีการใช้ถ้อยคามันเป็นที่รักทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแล้วก็วางตนได้ถูกต้องเรียกว่าสมานตาตาก็คือเป็นคนที่วางตัวเป็นก็เลยเรียกว่าสงเคราะห์บริวารด้วยคุณธรรมทั้ง4ประการเหล่านี้ <c oughs> ที่นี้วันหนึ่งพระราชานี้ไปล่าเนื้อได้ยินว่าวันหนึ่งพระเจ้าชัยทิดนี้เสด็จออกจากกบินรนนครพร้อมด้วยบริวารใหญ่ อันสมควรแก่พระองค์ด้วยมีพระประสงค์ว่าจะไปล่าเนื้อพอพระราชาเสด็จออกไปได้ภักหนึ่งนันทพรามชาวเมืองตักกศิลาก็ถือเอาคาถาชื่อวัสตารหะสี่บทเข้าไปหาเพื่อจะบอกแล้วก็กราบทูลถึงเหตุที่ตนมาแด่พระราชาสตารหะสี่บทเนี่ยหมายคือว่าสตาเนี่ยปแปลว่าอะไรท้าสาบแล้วเท่าไหร่ สตะถสะแปลว่า10สตะร้อยสหัสะในี่ยพันรหาแปลว่าควรก็คือคําพูดสบทเนี่ยควรแก่ราคาร้อยหนึ่งอันนั้นหมายก็ว่าถ้าใครฟังก็จ่ายร้อยหนึ่งนะท่นก็จะเอาคาถาเนี่ยไปเล่าให้พระราชาฟังพระราชาจะได้จ่ายร้อยหนึ่งก็เลยเรียกว่าสตารหาหมายว่ามีอยู่สบท4บทนี้สมควรก็แปลว่ามีราคาร้อยหนึ่งพระราชาก็บอกว่าเราจะ เราจะกลับไปเพื่อจะฟังคือค า, าถาสี่บทนี่คืออะไรก็คือพุทธพจน์ ท, ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะนี่แสดงเอาไว้ก็คือแสดงไว้เยอะนะหนักๆเข้ามันจำเหลือนิดเดียวหรือสีอ่ไม่กี่บรรทัดเพราะฉะนั้นคนที่เอาจําได้สี่บรรทัดนี่ก็ถือว่ามนคลังหากินได้เหมือนันนะนี่ก็เหมือนกันแปลว่าเป็นมนคลังเป็นคาถาดีมากใครฟังนี่ก็ต้องจ่ายร้อยเนื้อจ่ายร้อยหนึ่งเหมือนกันก็จะเอาไป คถาเนี่ยไปเล่าให้พระราชาฟังตอนที่พระราชาจะไปล่าเนื้อพอดีพระราชาก็คิดว่าเดี๋ยวเราจะกลับไปฟังจึงพระราจะทานเรือนให้เป็นที่อยู่แล้วก็ให้สเสบียงแกเขาแม้ถือว่าเป็นโทษเลยนะจากการต้อนรับเป็นอย่างดีเดี๋ยวกลับมาไปป่ามาก่อนแนะ่จะกลับมาฟังเสร็จแล้วพระองค์ก็เสด็จเข้าไปป่าตรัสว่าตอนนั้นก็เห็นเนื้ออยู่ตัวหนึ่งบอกเนื้อตัวไหน แต่เนื้อหนีไปทางข้างของผู้ใดผู้นั้นจะต้องถูกปรับสินไหมแล้วก็ส่งเที่ยวล่าเนื้อไปครั้งนั้นเนื้อฝานตัวหนึ่งได้ยินเสียงเท้าของคนเป็นอันมากจึงออกจากที่อยู่หนีไปทางพระราชาคือเพราะว่าสมัยนั้นพระราชาเนี่ยคนก็ห่างๆไงพวกอัมมันก็เป็นกองเป็นกองเนื้อนี่ปกติเวลาจะหนีก็หนีไปทางคนส่วนน้อยฉะนั้นพระราชานี่ยืนอยู่ทหารอยู่ห่างมากนะ มันก็หนี้ไปทางพระราชารอดไปได้พระองค์ก็ทรงเที่ยวเออนะพวกอัมมัดก็หัวเราะขำนะนะถ้าคนอื่นนี่อาจจะหัวขาดนะนะแต่ว่าแม้พระราชาไม่รู้ทำไงก็เลยยิ้มนะพระราชาก็ตามเนื้อนั้นไปสุดทางสามโยศเราวิ่งตามเนื้อนั้นสี่สิแปดกิโลเนี่ยนะแล้วก็ยิงเนื้อนั้นที่หมดกําลังให้ล้มลงนะแสดงว่าแข็งแรงมากเลยนะวิ่งได้สี่สบแปดกิโลเนี่ยนะวิ่งจนเนื้อเหนื่อยอะ่ะ พระองค์ก็ทรงเอาพระขันเนี่ยชำระเนื้อที่ล้มลงนั้นออกเป็นสองส่วนจริงๆแล้วใจจริงพระองค์ก็ไม่ได้ปรารถนาแต่เพื่อจะปลดเรื่องคําพูดว่าพระราชาไม่สามารถจับมรุษคือเนื้อตัวนั้นไปที่นี้ไปได้เพียงแต่ว่ามานะแค่นั้นแหละจริงๆก็ไม่ได้อยากฆ่าอยากอะไรทั้งหร่ก็ไม่ได้อยากได้เนื้อด้วยแต่ก็ไอ้ามานะ ท, ที่ที่มันมันยิ่งใหญ่มากเดี๋ยวเขาจะดูถูกเอาแต่ว่าไ ม, ม่มีฝีมือว่าือนกันแต่ขาดความสามารถ พระองค์ก็ทรงนําำทำคานแล้วก็คอนคานก็คือคอนหมไม่ใช่หามนะครคอนก็คือหมายถึงว่าอันเนื้อไว้ข้างหลังแล้วก็ไม้อันหนึ่งแบกมาเนี่ยนะถ้าหามก็มีทั้งข้างหน้าข้างหลังนะอันนี้ก็เรียกว่าคอนมาประทับนั่งเหนื้อญ้าแพรกที่โคนต้นใส่ต้นหนึ่งทรงพักอยู่ครู่หนึ่งเตรียมจะเสด็จไปครั้งนั้นพระเชษฐาคือพี่ชายของพระราชานั้นเนี่ยนะคือพระราชาพระองค์นี้เนี่ย ม, มีมีพี่อยู่หลายคน พี่องค์ที่1ก็ถูกยักษ์ไปกินพี่คนที่2ก็ถูกยักษ์ไปกินพี่คนที่3เชิดาของพระราชานนในวันประสูติถูกยักษีนีนจับไปเพื่อจะกินยักษินีนั้นถูกพวกมนุษย์พวกมนุษย์ที่อารักขาติดตามไปจนถึงทางทดน้ำก็วางกุมารไว้ที่อกกุมานี่หิวนมพอดีเลยกุมานั้นดูดนมด้วยสำคัญว่าเป็นมารดายักษินีก็เกิดความรักคล้ายกับบุตร จึงได้เลี้ยงดูเป็นอย่างดีเนี่ยนะหมายว่าวัยปกติก็ชอบกินเด็กะนะเพราะเด็กดื่มนมเข้าโมแรงเลยกันนี้เอาไปเลี้ยงดีกว่าเหี้ยมขนาดไหนก็เอาไปเลี้ยงนะรักเลยกันนี้กุมานั้นเสวยแต่เนื้อมนุษย์เพราะเขาประกอบเป็นอาหารให้เสวยครั้นเจริญวัยขึ้นตามลําดับ ก, ก็หายตัวไปด้วยอนุภาพของรากยาที่นางยักษิศีให้เพื่อหายตัวได้ไอ้รากยานี่ยมันทำให้หายตัวได้ไม่รู้รากต้นอะไรก็ไม่รู้ แต่ว่ามีอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะในในในสมัยพุทธกาลก็มีเที่ยวปัง ส, ปสุปีศาสปีศาสพร์พลุกฝนที่มันหายตัวได้มีรากยาอันหนึ่งถ้าถือรากยานี้ก็จะทำให้มองเห็นพวกอาบมนุษย์ด้วยกันแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยหนีได้พันชีวิตก็ใช้ชีวิตด้วยการสวยเนื้อมนุษย์ก็กินแต่เนื้อมนุษย์เลี้ยงชีวิตเมื่อยักษินีตายรากยาก็หายด้วยความประมาทของตนไม่รู้ไปวางไว้ที่ไหน ลืมเหมือนกันเนอะตอนไปก็ร่างกายก็ปรากฏเปลือยน่ากลัวเคี้ยวกินแต่เนื้อมนุษย์พอเห็นราชบุรุษที่ติดตามพระราชาจึงหนีเข้าไปอาศัยป่าอยู่ที่โคนต้นไทรนั้นะวันนั้นเนี่ยเห็นพระราชากับทหารมาเยอะนะตัวเองก็กลัวเหมือนกันก็เลยหนีไปอยู่ที่ต้นไทรต้นหนึ่งพอเห็นพระราชาที่มานั่งอยู่ที่โคนต้นไม้ก็บอกว่าท่านเป็นอาหารของเราจึงจับที่แขนที่พระหัตถ์เนี่ยนะ ก็ปกตินะใช่สมัยสมัยเด็กๆที่ป่ามันยังรกๆ ช, ชัดๆเนี่ยนะบอกนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจับเอาไปกินนะเนี่ยนะถูกขู่ประจำมานะเดี๋ยวถูกเอาไปจับไปอะไรนะถูกจับเอาไปกินตับนะเดี๋ยวถูกล่วงตับนะอะไรเราก็กลัวกลัวไม่อยากเข้าป่าเล ย, เ น, ยนะเพราะว่าเนี่ยนี่ก็เหมือนกันก็มีทุกยุคทุกสมัยนะลักษณะกินตับแม้กระทั่งอะไรนะซีอุยใช่ไหมซีอุยนี่ก็ก็กินตับเหมือนกัน ก, ก็คือไม่ค่อยสบายสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง ก็เลยไปปรึกษานักบวชคนไหนไม่ทราบเขบอกว่าต้องท่านต้องกินตับมันจึงจะหายก็เลยไม่รู้กินตับไหนก็เลยเอาตับเด็กมากินเลยแคนี้ก็เลยชอบกินตับ น, นะนะเขาบอกว่ารักตับมันรักษาโรคใช่ไหมนี่ก็เหมือนกันก็เลยติดใจในรสเงี้พราะฉนั้นพระองค์จึงเล่า ว, ว่าพระยาโปริศาสนั้นอ่ะได้จับบิดาของเราแล้วก็กล่าวว่าท่านเป็นอาหารของเราท่านอย่าดิ้นรนพระบิดาของเรานั้นสดับคําของพระยาโปริศาสนั้นทรงกลับสะดุ้งหวาดวัน พระองค์เนี่ยมีพลาคือขานี่แข็งกระด้างนะขาชาไปหมดเลยนะบางคนนี่มันแมมันมีอนุภาพมากนะพูดคำเดียวเนี่ยตัวชาหมดเลยนะนี่ก็เหมือนกันยักษ์เนี่ยมีมีพลังมากนั้นคำพูดหนึ่งคำออกไปเนี่ยหมดแรงที่จะเดินเลยเพราะทรงเห็นพญาโพริศาสพญาโริศาสก็รับเอาเนื้อแล้วก็ปล่อยโดยบังคับไม่กลับมาอีกอคำว่าปล่อยไปนี่ปล่อยอยังไง บทว่ามิคังนะอธิบายว่าพญาโปริศาสนั้นถือเอาเนื้อของมรึกนี้แล้วจึงปล่อยพระราชาพอเห็นบุตรยักษ์ินีนั้นน่ะ น, นะกลัวถึงกับเพลา่านิแข็งกระด้างดุดป ร, ประทับยืนเหมือนกับต่อไม้ก้าวขาไม่ออกขาแข็งเลยนะพญาโปริศาสรีบไปจับพระราชาที่ประหัตแล้วก็กล่าวว่าท่านเป็นอาหารของเราเลยว ครั้งนั้นพระราชาก็ตั้งสติแล้วก็ตรัสกับพญาโปิษาตว่าหากท่านต้องการอาหารเราจะให้เนื้อนี้แก่ท่านเพราะฉะนั้นท่านจงรับเนื้อนั้นไปกินเถิดขอท่านจงปล่อยเราเถิดพญาโปิษาตได้ฟังดังนั้นก็กล่าวว่าท่านให้ของของเราแล้วยังจะมาพูดดีกับเราเพราะอะไรเพราะว่าทั้งเนื้อทั้งตัวของท่านเป็นของของเราตั้งแต่เราจับมือท่านไว้แล้วไม่ใช่หรือ เพราะฉะนั้นถ้าเราจับมือท่านท่านก็คือของเราแล้วบอกเอาเนื้อให้ท่านเนี่ยนะจะเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะกินท่านเสียก่อนแล้วก็กินเนื้อในภายหลังกินหมดแลว้วมั้งประราชาคิดว่าพระเจ้าโปริศาทนี้คงไม่ปล่อยเราเพราะเอาเนื้อเป็นสินไถศินไถแน่นอนอันหนึ่งเมื่อเราล่าเนื้อได้ก็ทำปฏิญญากับพรามว่าจะกลับไปให้ทรัพย์แก่พรามนั้น หากยักษ์นั้นอนุญาตเราจะรักษาคำสัตว์เอาไว้ก็กลับไปเรือนคือกลับไปพระราชวังเลยนะปลดเปลื่องปฏิญญานั้นแล้วจะเพิ่งกลับมาเป็นอาหารของยักษ์นั้นอีกก็เลยเล่าเนื้อความนั้นให้ยักษ์ฟังว่านี้ยังไม่ได้ไปฟังไอ้คาถาสตารหะบทเลยเนี่ยนะไปฟังคาถาที่มีราคาร้อยหนึ่งเนี่ยยังไม่ได้ไปฟังเลยเดี๋ยวกลับไปฟังก่อนแล้วจะกลับมาพยาโปริสนั้นฟังแล้วก็กล่าวว่าหากท่านรักษาคำสัตว ประสงค์จะไปท่านาท่านไปแล้วก็ให้ทรัพย์แก่พราหมณ์นั้นแล้วแล้วรักษาคําสัตว์รีบกลับมาอีกนะหมายว่าแน่จริงนะแม่สมัยนั้นเขาว่ารักษาสัตว์จากวาจากันมากนะขนาดคุยกันรู้เรื่องกระตายอยู่แล้วยังปล่อยกันไปได้แล้วก็ปล่อยพระราชาไปพระราชานั้นครั้นพระยาโปริษฎทปล่อยแล้วก็ตรัสว่าท่านยาวิตกไปเลย เราเนี่ยจะมาแต่เช้าทีเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาว่างั้นนะ่ะแล้วก็สังเกตทางเป็นเครื่องไม้เสด็จเข้าไปถึงหมู่พลของพระองค์อันหมู่พลแวดล้อมเสด็จเข้าพระนครแล้วก็ตรัสเรียกนันทพรานนั้นให้มาเนื่องอนั่งเนื้ออาสนะอันสมควรพระองค์ก็สดับคาถาเหล่านั้นพระราชทานทรับสี่พันคือหมายความว่าแต่ละบทแต่ละบทเนี่ยคาถาสี่บทบทละพัน จริงๆแล้วท่านบอกว่าสตารหะก็คือบทละร้อยบทละร้อยบทก็400พระราชาฟังอะ่ะพระราชาฟังปับ๊บจริงๆแล้วคาถานี้ไม่ใช่มีราคาเท่ากับ400รอหรอกจริงๆมันก็สมควรกับบ้านเมืองนี้ทั้งหมดแต่พราหมณ์นี้ไม่สามารถจะรักษาทรัพย์เหล่านี้เอาไว้ได้เพราะะฉนั้นให้ไป4ี่พันก็เลยบอกว่าคาถานี้ไม่ใช่สตารหะหรอกมันต้องทศะแล้วสหัสสหัสสารหะแล้วนะจะต้องควรแค่พัน ก็เลยให้สี่พันแล้วก็ให้ยามด้วยให้อะไรไปด้วยเสร็จแล้วพระองค์ก็มีพระดํารัสว่าพวกท่านจงนําพราหมณ์นี้ไปส่งให้ถึงเมืองตักกิลานะคือถ้าคิดดูนะว่าคําสอนของพระพุทธเจ้ามีเป็นปิดกปิดกขนาดนี้พอไปถึงบางยุคบางสมัยเนี่ยนะไม่เหลืออะไรเลยอย่างอินเดียกักลับไปเนี่ยบางพวกก็เหลือได้แต่หนะ้าโมมั้งตังอระหังได้เหลือนิดนห น, น่อยหน่อยเนี่นะ ก็แทบจะศูนย์พันแล้วนะที่ลาวก็แทบจะจําอะไรไม่ได้เวียด น, นามก็แทบไม่ได้อะไรเนี่นะเวียดนามอะนะเมรก็แทบไม่เหลืออะไรแล้วก็เอามาไปจากไทยเนี่ยนะก็เหลือนิดๆหน่อยๆต่อไปไทยทั้งหลายถ้าไม่ศึกษาอนาคตต่อไปก็จะเหมือนกับอินเดียเหมือนกับหลายๆประเทศเนี่ยนะก็หมดมันศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์กรก็เลยหมดเนฟย้อนกลับมาอีกครั้งหนึงว่า ในวันที่สองพระองค์นี่มีพระประสงค์จะไปหาพญาโปริศาท์ก็เลยแต่งตั้งโอรสในราชสมบัติดังที่พระองค์เล่าให้พระสาริบุตรฟังว่าพญาโปริศาท ร, รับเอาเนื้อนั้นแล้วก็ปล่อยไปโดยบังคับให้กลับมาอีกพระบิดาพระราชทานทรัพย์แก่พราหมณ์แล้วก็เรียกเรามาว่าดูก่อนลูกลูกจงปกครองราชสมบัติอย่าประมาทปกครองนครนี้ พยาโปริศาส์บังคับพ่อให้พ่อกลับไปหาอีกถ้าเป็นพระราชาสมัยทุกวันนะียกกองทัพไปเลยนะแต่ท่านก็ไม่นะท่านก็มีสัาจจะวาจาคืออธิบายว่าพระราชาตรัสว่าลูกลูกจงปกครองราชสมบัติอันเป็นของตระกูลนี้เถิดลูกปกครองราชสมบัติโดยธรรมโดยเสมอไว้อย่างใดหมายว่า พ่อครองราชสมบัติโดยทําโดยเสมอไว้อย่างใดแม้ลูกเขายกสเสวตฉัตดให้ครองราชสมบัติก็จงเป็นอย่างนั้นลูกรักษาพระนครนี้และจงครองราชสมบัติอย่าให้ถึงาอย่าได้ถึงความประมาทเลยส่วนพ่อนั้นได้รับรองรับปากรับคําไว้กับยักษ์ปริศาสที่โคนต้นไทรในที่โน้นว่าพ่อจะมาหาเขาอีกพ่อรักษาคําสัตย์จึงกลับมาในที่นี้ เพื่อจะให้รั์แกพรามณ์นั้นอย่างเดียวเพราะฉะนั้นพ่อจะกลับณที่นั้นพระโพธิสัตว์พอสะดับดังนั้นแล้วก็ทูลว่าข้าแต่มหาราชพระบิดาอย่าเสด็จณที่นั้นเลยพระเจ้าค่ะหม่อมชั้นจักไปณที่นั้นเองข้าแต่พระบิดาหากพระบิดาจักเสด็จไปให้ได้แม่หม่อมชั้นก็จักไปกับพระบิดาด้วยพระโูธิสัตว์ก็คิดว่าเมื่อเป็นอย่างนั้น เราจะไปทั้งสองก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเรานี่แหละจักไปณที่นั้นเองได้รับอนุญาตจากพระราชาผู้ทรงห้ามโดยประการต่างๆจริงพ่อก็ห้ามแล้วห้ามอีกแต่ในที่สุดก็ต้องมีคนหนึ่งนะที่ครองราชสมบัติส่วนตัวก็จักไปถวายบังคมพระมารดาพระบิดาสละชีวิตเพื่อประโยชน์แก่พระบิดาเมื่อพระบิดาทรงให้อวาตและเมื่อพระมารดาคือแม่นะักคินีน้องสาว พระฉายานนะคือมเหสีก็ทำสัจจะกิริยาเพื่อความเพื่อความสวัสดีเนี่ยนะทั้งทั้งหมด น, นะทุกคนก็อะไรนะก็ทุกคนก็เป็นเป็นที่รักของทุกคน น, นะทุกคนก็กล่าวแต่สัจจะวาจาโยกถ้อยคำต่างๆเพื่อให้พระโพธิสัตว์ถึงความสุขสวัสดีพระองค์ก็ถืออาวุธออกจากพระนครตรัสอำลามหาชนผู้มีหน้านองไปด้วยน้ำตาติดตามไป พระองค์นั้นดําเนินไปตามทางที่อยู่ของยักษ์โดยนัยะที่พระบิดาบอกเอาไว้ น, นะนะ ก, ก็มีเครื่องไม้อ่ะนะแม้บุตรยักษ์ศรีก็คิดว่าขึ้นชื่อว่ากษัตริย์นี้มีมารยามมากเรียกว่าเล่เหลี่ยมกษัตริย์เนี่ยมากที่สุด ค, คือคือคําพูดของคนระดับสูงเนี่ยไม่รู้ถามถามแปลว่าอะไรเนี่ยนะท่านกษัตริย์เนี่ยพฤติกรรมของกษัตริย์นี่มันเข้าใจยากใครจะรู้จักเป็นอย่างไรจีกหนีขึ้นไปอยู่บนต้นไม้เลยยักษ์นี่ก็กลัวนะ รักษัตริย์เนี่ยก็กองทัพมาข้างหลังยิงธนูมาตายหมดเลยมั้งก็เลยนั่งบนต้นไม้คอยดูการมาของพระราชาเห็นพระกุมารเสด็จมาก็คิดว่าบุตรจักมาแทนบิดาก็เลยบอกว่าไอ้ไัยนี่ไม่มีแก่เราแน่แล้วก็ลงจากต้นไม้หันหลังให้พระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็เสด็จมาประทับยืนข้างหน้าพญาปโปริษัตดังที่พระองค์ตรัสว่า เราถวายบังคมพระมารดาบิดาแล้วตบแต่งร่างกายสะพายธนูเน็บพระแสงขันออกไปหาพญาโราพริศัสพญาโพริศัสเห็นมีมื อ, อเห็นมีถืออาวุธเนี่ยนะเห็นมือถืออาวุธบางทีจักสะดุ้งกลัวแต่เพราะเมื่อเราทําความสะดุ้งกลัวแก่พญาโพริศัสศีลของเราก็จะเศร้ามองคนดีในคดีจริงๆเลยนะกลัวอีกฝ่ายหนะึ่งเขาไม่สบายใจ จะด้วยเหตุผลใดก็กลัวแต่เขาไม่ไม่สบายใจเนี่ยนะนะแต่ว่าบุญกรรมประเภทนี้เนี่ยนะเวลาบุญมันให้ผลมันก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะเวลาคนที่ทําบุญเนี่ยนะทำบุญด้วยความวากลัวเขาจะไม่สบายใจเนะี่ยตัวของเขาเองก็จะเหมือนกันคนอื่นก็จะกลัวแต่เขาไม่สบายใจเพราะว่าอย่างว่าโลกนี้ทํากรรมเช่นใดก็จะเสวยวิบากเช่นนั้นดวงที่หนึ่งก็ให้ผลชาตินี้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะพันถ้าเราเกรงใจคนอื่นคนอื่นก็จะเกรงใจเราเนี่ยนะ พันธก็นี่ก็เหมือนกันพระโพธิสัตว์บอกว่าเมื่อเราทําความสะดุ้งกลัวแก่พระยาโพธิสัตวศีลของเราก็จะเศร้ามองมันท่านไม่ต้องการให้ใครกลัวท่านเลยอันนี้คือรวมๆ ว, ว่าอัธยาศัยพระพุทธเจ้าเป็นเช่นนั้นพันธจึงไม่มีใครรู้สึกว่ากลัวพระพุทธเจ้ามีแต่เกรงอกมีแต่เกรงใจมีแต่ความเคารพอย่างเดียวแต่ลักษณะกลัวสะดุ้งไม่มี แต่ว่ามีแต่ความเคารพพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นเพราะพระองค์ทํากรรมมาเช่นนั้นนั้นพระพุทธเจ้านั้นจึงเป็นที่รักเป็นที่เคารพแต่ก็เป็นที่ยำเกรงเนี่ยนะสรุปว่าทวนมาอีกครั้งว่าศีล น, นะกลัวพระยาโปริสาจะกลัวเดี๋ยวศีลเราจะเศร้ามองเพราะเรากลัวศีลจะขาดจึงไม่นําสิ่งที่น่าเกลียดเข้าไปใกล้พระยาโปริสาทนั้นเรามีเมตตาจิตกล่าวคําเป็นประโยชน์จึงได้กล่าวคํานี้ ไปดูว่าเขาบอกว่าเรานี่กลัวศีลของเราจะพินาศเศร้ามองด้วยเหตุที่ทำให้ยักษ์นั้นเกิดความกลัวบทว่าศีละขันดะพยาไมหังตัสสะเดชสังนะพยาหิงเพราะเรากลัวศีลจะขาดจึงไม่นำสิ่งที่น่าเกลียดเข้าไปใกล้ยพยาโปริสานนั้นคือเราได้วางสาตราเพราะกลัวศีลของเราจะขาดเข้าไปหาพยาโปริสานนั้นอย่างใด เพราะเรากลัวศีลจะขาดอย่างนั้นจึงไม่นําสิ่งที่น่าเกลียดไม่น่าปรารถนาเข้าไปหาพญาโปริษัทนั้นแต่เรากล่าวคําเป็นประโยชน์ด้วยจิตเมตตาจึงได้กล่าวคําที่กล่าวในบัทนี้พระโพธิสัตว์นั้นครั้นไปประทับยืนอยู่ข้างหน้าบุตรยักษณีคือพญาโปริษัทประสงค์จะทดลองพระโพธิสัตว์ก็เลยถามว่าท่านเป็นใครท่านมาจากไหน ท่านไม่รู้จักหรือว่าเรานี้เป็นในพรานกินเนื้อมนุษย์เหตุใดท่านจึงมาถึงที่นี่พระโพธิสัตว์ก็ตอบว่าเราเป็นโอรสของพระเจ้าชยทิตเรารู้ว่าท่านคือโพริษัตผู้กินคนเรามาที่นี้ก็เพื่อจะรักษาชีวิตของพระบิดาเพราะฉะนั้นท่านจงเว้นจากพระบิดากินเราแทนเถอสละชีวิตให้พ่อ ยกชีวิตให้พ่อถ้าจะกินพ่อก็กินลูกแทนก็นแล้วกัน น, นะพญาโปริศาสรูปยักษินีก็กล่าวเอ่อกล่าวด้วยอาการชงนคือสงสัยอีกว่าเรารู้จากท่านว่าเป็นโอรสของพญาพระราชาชยทิตเพราะอะไรเพราะหน้าเหมือนกันเห น, นแต่ท่านมาอย่างนี้ชื่อว่ากระทาสิ่งที่ทำได้ยากพระกุมารก็บอกว่าไม่ยากเลยการสละชีวิตเพื่อประโยชน์แก่พระบิดา จะไปยากอะไรถ้าสละชีวิตให้พ่อว่างั้นจริงอยู่บุคคลทําบุญเห็นปานี้เพราะเหตุแห่งมารดาบิดาย่อมบันเทิงในสวรรค์โดยส่วนเดียวเท่านั้นอุ้ยสละชีวิตแทนพ่อแม่จะไปยากอะไรใครที่สละชีวิตให้พ่อแม่ได้สวรรค์อย่างเดียวและเมื่อแตคลายว่าการตายของท่านคือการขึ้นสวรรค์จะไปกลัวทําไมไอ้ความตายใช่ไหมเพราะตายคือขึ้นสวรรค์เพราะฉะนั้นไม่กลัว อันหนึ่งเรารู้ว่าสัตว์ไร่ๆชื่อว่าไม่มีความตายเป็นธรรมดายองไม่มีและเราไม่ระลึกถึงบาปอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตนทำเอาไว้เพราะฉะนั้นเราจึงไม่กลัวต่อความตายเราขอสละชีวิตอันนี้ให้แก่ท่านนะคือท่านมีมีปัญญาที่ลึกซึ้งมากก็เนื่องจากว่าท่านเนี้ยเกิดมาตั้งอยู่ในในคุณงามความดีตั้งอยู่ใน บุญกุศลท่านรู้อยู่แล้วว่าการสละชีวิตเพื่อพ่อเพื่อแม่นั้นน่ะ น, นะสวรรค์อย่างเดียวขณะเดียวกันท่านก็ไม่ลืมไม่เบลอไม่เลื่อนเรือนว่าสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีมันก็ตายวันยังค่ำนั่นแหละอีกในหนึ่งเราก็ไม่ได้ทำความชั่วอะไรเอาไว้เลยเพราะฉะนั้นเหตุผล 1. ตายแล้วไปสวรรค์ 2. คนที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีส นึกถึงบาปไม่ออกว่าไปทําบาปอะไรบ้างเราก็เลยไม่กลัวต่อความตายขณะเดียวกันยังสละชีวิตนี้ให้แก่ท่านอีกแล้วก็บอกว่าท่านจงก่อกองไฟให้นะแล้วก็แต่ว่าท่านจงก่อกองไฟแล้วกินเราเถอะมันท่านท่านจุดไฟเลยนะเดี๋ยวเราจะลงไปในไฟแล้วย่างสดแล้วท่านกินได้เลยดังที่พระองค์ตรัสว่าท่านจงเอาแก่นไม้มาก่อเป็นไฟกองใหญ่เราจะกระโดดเข้าไปท่านผู้เป็นพระเจ้าลุง ท่านจงทราบเวลาว่าเราสุกดีแล้วก็จงกินเธอเนี่ย น, นะกินเธอมาขอปิ้งเลยนะได้นะเดี๋ยวเราจะลงตัวโดดตัวให้ปิ้งให้กินเลยเหมือนกันพญาโริศาสลูกนางยักษ์ศรีได้ฟังอย่างนั้นก็คิดว่าเราไม่อาจจะกินเนื้อกุมารนี้ได้เราจักให้กุมานนี้ไปโดยอุบายก็กล่าวว่าถ้าเช่นนั้นท่านจงเข้าป่าแล้วก็หาไม้แก่นมาทําให้เป็นฐานเพลิงไม่มีควันเราจะ ปิ้งเนื้อท่านที่ฐานเพลิงนั้นแล้วก็กินเสียพระโูธิสัตว์ก็ทําตามอย่างที่บอกแก่โปริษัทคือคือโปริษัทเนี่ยนะกินไม่ได้และเว่าคนนี้มีคุณธรรมมากจริงๆเอาวางแผนไล่นี้นะั่นแหละบอกท่านไปหาฟืนซะถ้าไปหาฟืนก็บอกว่าถือโอกาสนี้เลยแต่ทีนี้พระโูธิสัตว์ไม่ทําอย่างนั้นเด๋ไปหาฟืนมาจริงๆแล้วมาก่อกองไฟทานลุกโคลงเลยแหละ พญาโพริศาทแลดูกูมาณ น, นั้นก็คิดว่ากูมานนี้เป็นบุรุษสีหาราชเป็นใครเรียกว่าเป็นเป็นตระกูลราชสีจริงๆไม่กลัวแม้แต่ความตายคนไม่กลัวตายอย่างนี้เราเกิดมาไม่เคยเห็นเหมือนนเกิดคนลุกชูชันมองดูกูมาณเนี่ยนะคนลุกสู้สู้เลยนะเห็นเขาใครเรียกว่าก่อกองไฟเพื่อจะปิ้งตัวกินะนะปิ้งตัวให้ตัวเองกินเนี่ยนะพระกูมาณ น, นั้นก็ถามว่าท่านมองดูเราทาไมะนะ ทำไมท่านไม่ทำตามคำพูดพยาโปริศาสตก็กล่าวกับพระโพธิสัตว์ว่าผู้ใดกินท่านสีสษะของผู้นั้นจะต้องแตกเป็นเจ็ดเสียงแน่คนนี่ไม่มีใครเลวสมบูรณ์แบบหรอกนะเจอคนดีจริงๆใจมันก็อ่อนเหมือนกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงไม่มีใครเนี่ยเลวโดยชาติกำเนิดมันก็ยังเที่ยมขนาดไหนเขาบอกว่านายพรานจึงจะเฮี้ยมโหดขนาดไหนก็ยังรักบุตรแล พระยาเป็นต้นเพราะฉะนั้นก็ถือว่าโดยรวมๆเนี่ยนะมันก็ไม่มีใครโหดเรียกว่าบาปบริสุทธิ์บาปหยาบคายที่แท้จริงอะไรมากมายหรอกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ยังพอมีสติรู้ดีรู้ชั่วพอเจอคนดีจริงๆอ่ะนะคนบาปนี่ยอมเลยมากันนะว่าโอ้หนี่ถ้าเรากินเขานี่หัวเราแตกเจเสียงแน่พระโพธิสัตว์ก็ตรัสว่าหากท่านไม่ประสงค์จะกินเราเอาแล้วทําไมท่านมาก่อกองท่านก่อกองไฟทําไมล่ะ ยักษ์ก็บอกว่าเพื่อจะข่มท่านนะนะเพื่อจะขูวงั้นพระกุมารเมื่อจะแสดงเนื้อความนั้นว่าท่านจะข่มเราอย่างนี้ได้อย่างไรในบนัดนี้ชาตินี้ท่านข่มยังไงก็ข่มเราไม่ได้เพราะแม้เมื่อเราตอนอดีตชาติที่เราเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเราก็ยังไม่ให้เท้าสั ก, กะเทวราชข่มเราได้เลยเนี่ยนะเราเป็นคนแท้ๆท่านจะมาข่มเราได้ยังไงขนาดเทวดายังข่มเราไม่ได้นะ แล้วพงค์ก็ตรัสว่าก็กระต่ายนั้นสำคัญว่าเท้าสั ก, กะนี้เป็นพรามจึงได้เชิญให้อยู่ในที่นั้นข่าแต่เทวะด้วยเหตุนั้นแหล ก, กระต่ายนั้นจึงเป็นจันทิมะเทพบุตรหมายความว่าเป็นรอยอยู่ในดวงชันได้ความสันเสริญด้วยเสียงว่าสะสะให้เจริญความไข่จนทุกวันนี้บทว่าสะโส อ, อวาเสสิก ส, สเกสรีเรคือกระต่ายเมื่อจะให้ร่างกายของตน ในสรีระของตนอย่างนี้ว่าท่านจงเคี้ยวกินสรีระนี้แล้วจงอยู่ในที่นี้เถิดเพราะสรีระของตนเป็นเหตุจึงให้เท้าสักกะผู้มีรูปเป็นพรามนั้นอยู่ณนะที่นั้นเพราะฉะนั้นรูปของกระต่ายจึงปรากฏที่ดวงจันทร์พระโพธิสัตว์นั้นแสดงเครื่องหมายกระต่ายในดวงจันทร์อันเป็นปาฏิหาริย์ตั้งอยู่ตลอดกับให้เป็นพยาน แล้วก็ได้ตรัสถึงความที่พระองค์แม้เท้าสักกะก็ไม่สามารถที่จะข่มได้ขนาดว่าท่านเนี่ยนะท่านจะข่มเราได้ยังไงเทวาดายังข่มเราไม่ได้พระาโปรติพระยาปโรยาปโริศาสตร์ได้ฟังอย่างนั้นก็เกิดอัศจรรย์จิตไม่เคยมีที่เรียกว่าอัจฉริยะอภูตธรรมแม่อัจฉริยะนั้นน่าอัศจรรย์จริงๆอภูตธรรมไม่เคยมีแล้วมันมีได้ยังไงมันเป็นไปได้ยังไงว่างั้นะมันเป็นไปได้ยังไง ก็กล่าวคาถาว่าดวงจันพ้นจากปากราหูย่อมรุ่งเรืองดุจแสงสว่างในวันเพ็ญฉันใดนะเมือว่าดวงจันที่พ้นจากเมฆหมอกก็ส่องสว่างสวยัยฉันใดท่านกปิละผู้มีอนุภาพใหญ่ท่านพ้นจากปริศาทย่อมรุ่งโรดฉันนั้นพระองค์ยังพระชนกชนนีให้ปราบปลืม้มทั้งเป็นผู้ที่ฝ่ายพระญาติทั้งปวงของพระองค์ก็ยินดีแม้ ก็พยาโปริาสาเนี่ยก็ถือว่าเป็นใจบุญนะนะใจบุญก็บอกปล่อยไปเหมือนดวงจันทร์พ้นจากราหูพ้นจากเมฆหมอกสว่างสวัยฉันใดท่านก็จงรุ่งโรจน์ในหมู่มนุษย์นะเป็นที่รักใคร่พอใจของพ่อแม่ญาติพี่น้องฉันนั้นเถอะแล้วก็ปล่อยพระกุมารไปด้วยทูลว่าขอท่านผู้เป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่จงกลับไปเถิดนะปล่อยกลับไปเลยแบงนั้นแม้พระโพธิสัตว์ก็ทําให้พระยาโปริาสานั้นหมดพยศแล้วก็สอนศีลห้าให้ เมื่อจะทดลองดูว่าพระโพริศาสนี้เป็นยักษ์หรือไม่จึงสันนิษฐานโดยไม่พลาดดุดมีสัพพัญยุตยานโดยการอนุมานอนุมานคํานวณถือเอาในยักษ์ก็รู้แล้วว่าพญาโพริศาสไม่ใช่ยักษ์รู้ได้ยังไงบอกว่าในตายักษ์นั้นมีสีแดงแล้วก็ต้องไม่กระพริบต้องไม่มีเงาไม่มีความหวาดสะดุ้งตรงกันข้ามพญาโพริศาสในตรงข้ามหมดเลยเ พ, เพราะอะไรเพราะตาไม่สีแดงและก็กระพริบตา มีเงาและก็ยังสะดุ้งอยู่เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่ยักษ์เป็นมนุษย์นี่เองก็เลยคิดต่อไปว่าพ่อของเราเนี่ยนะมีพี่ชายอยู่3องค์ถูกยักษ์ศรีจับไปทั้ง3องค์นั้นถูกยักษิศีกินเสียสององค์อีกองค์หนึ่งเนี่ยนะยักษ์ศรีเลี้ยงดูด้วยความรักเหมือนลูกพระยาโปริศัสตร์พระองค์นั้นอะ่ะต้องเป็นคนนี้แน่แล้วก็คิดว่าเราเนี่จักทูลพระบิดาของเราให้ตั้งพระโปริพระยาโปริศัสตร์ไว้ในราชสมบัติ ก็เรีว่าอะไรนะเขาเคารพตระกูลมากว่าสมบัติต้องเป็นตามตามลำดับตระกูลแล้วก็บอกว่าท่านไม่ใช่ยักษ์ท่านเป็นพี่ชายของพ่อของเรามาเถิดท่านจงมากับเราแล้วครองราชสมบัติอันเป็นของตระกูลกลับไปเอาราชสมบัติของท่านคืนเถอะกุมารก็เลยบอกต่อไปว่าท่านนี้เป็นลุงของเราพญาโพลิศาสตรก็บอกเราไม่ใช่มนุษย์นาพระกุมารก็นําไปหาดาบทผู้มีตาทิพซึ่ง พญาโริษฐ์เชื่อถือพญาโริษฐ์จริงๆก็ไม่ได้เลวสุดยอดเลยก็ยังนับถือพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่เหมือนกันนะนับถือฤศีฤศีนี่มีตาทิพย์ <_ t ip> เมื่อกล่าวกระดาบทก็กล่าวว่ากล่าวถึงความเป็นพ่อว่าพวกท่านทําอะไรกันก็บอกว่าเอา้าทั้งลุงทั้งหลานเนี่ยมาเที่ยวอะไรกันอยู่นะฤศีเห็นตับทักเลยเอ้าทั้งลุงทั้งหลานมาเที่ยวทําอะไรกันอยู่นะพ่อกับลูกกันนะเที่ยวไปในป่าพระพยพญาโริษฐ์ก็เลยเชื่อว่า เขเชื่อจริงๆว่า เ, ออเขาก็เป็นลูกเป็นหลานเราจริงๆก็เลยเอาไปกลับไปเถอะลูกเ อ, อ้ยพ่อไม่ต้องการราชสมบัติเราจากบวชนะแล้วก็บวชเป็นฤาษีอยู่ในสำนักของดาบดังที่พระองค์ตรัสเล่าให้พระสารีบุตรฟังว่าเราไม่ได้รักษาชีวิตของเราเพราะเหตุแห่งพระบิดาผู้ทรงศีลเราได้ให้พระยาโปริศาสผู้ฆ่าสัตว์เป็นปกติทุกเมื่อนั้นบวชแล้ว น, นะถ้าท่านสงเคราะห์มูสัตว์จริงๆสงเคราะห์โจรผู้เหี้ยมโหดให้บวชได้สงเคราะห์อย่างนี้ได้ไม่ใช่แต่ชาติที่เป็นพระพุทธเจ้าแม้แต่อดีตชาติก็เคยสงเคราะห์แล้วกอคิดดูนะว่าเพราะบิดาเป็นผู้สงศีลเราก็เลยสละชีวิตของของเราเพื่อให้แก่พระยาโปริศาสเนี่ยนะศีลวัตตังหีตุเพราะเหตุแห่งความมีศีลอันเป็นเครื่องหมายแห่งการสมาทาน ความมีศีลของเราเพื่อประโยชน์เพื่อม่ให้ศีลขาดศีลเนี่ยตรงนี้ท่านบอกว่าศีลเกิดจากการสมาทานเกิดจากการถือเอาเกิดจากการตั้งใจจะถือเอาเป็นศีลทั้งนั้นพระโพธิสัตว์นมาสการพระเจ้าลุงของตนก็บวชนะลุงก็บวชบวชแล้วก็ซึ่งบวชแล้วกลับไปพระนครพระราชาชาวพระนครชาวนิคมชาวชนบทได้ฟังว่าพระกุมารเสด็จกลับมาแล้วต่างก็ร่าเริงยินดีลุกขึ้นไปรับ รกุมารถวายบังคมพระราชาก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พระราชาทราบพระราชาได้ฟังคําดังนั้นแล้วขณะนั้นนั่นเองก็รับสั่งให้ตีกลองเปล่าประกาศพระองค์ก็เสด็จเข้าไปหาพระดาบด น, นะพระยาโปริศาสด้วยบริวารใหญ่แล้วก็ตรัสว่าข้าแต่เจ้าพี่ขอเชิญเจ้าพี่ครองราชสมบัติเถิดดาบดก็ทูลว่าอย่าเลยมหาบาพิษพระราชาก็บอกว่าถ้าเช่นนั้นนิมนต์อยู่ในพระราชุทยานของข้าพเจ้าเถิด ดาบทก็บอกว่าอาตมาไม่มาไม่ไปหรอกก็อยู่ใกล้เมืองไม่ไปหรอกเกิดมาอยู่ป่ามาตั้งกันเล็กกันน้อยนะพระราชากรับสั่งให้ปลูกบ้านใกล้อาสมนั้นแล้วก็จัดตั้งภิกษาบ้านนั้นก็ชื่อว่าจูละกรมมาสธรรมนิคมถ้าเป็นที่กุรุรัตน์เนี่ยนะอะไรนะกมมาสธรรมะแต่ว่าชื่อว่ามหากรมมาสธรรมนิคมพระมารดาพระบิดาในครั้งนั้นได้เป็นมหาราช ในตระกูลครั้งนี้ก็คือพ่อก็คือพระเจ้าสุโทธทนะแม่ก็คือใครแม่ก็คือพระนางสิริมหามายาดาบทก็คือพระสารีบทุทอย่าลืมว่าพระสารีบทเนี่ยบวชเป็นฤาษีติดกัน500ชาติเนี่ยนะถอยหลังเลยติดกัน500ชาติเพราะาในช่วงกลับนี้นะโดยมากเนี่ยถ้าฟังเรื่องพระสารีบุตรเมื่อไหร่ก็จะเนี่ยเป็นนักบวชมาตลอดเลยพระโพธิสัตว์บางทียังไม่ได้บวชเลยแต่ว่าพระสารีบทนี่ติดบวชติดกันมา500ชาติ เพราะฉะนั้นท่านจึงมีปัญญานี่ยิ่งใหญ่มากโปริศาทก็คือพระองค์คุลิมานเนี่ยนะพระองค์คุลิมานของเรานี่ยแหละอ่านนะเรียกว่ามาละก็คือมาลัยเ่ยนะมีนิ้วเป็นพวงมาลัยกนิษฐาน้องสาวของพระโพธิสัตว์ก็คือนางอุบลวรร น, นานางอุบลวณานี่อยู่ทุกตําแหน่งจริงๆบางชาติเกิดเป็นแม่พระโพธิสัตว์บางชาติเกิดเป็นมเหสีบางชาติเกิดเป็นลูกบางชาติเกิด เป็นน้องเนี่ยก็โวนอยู่เนี่ยนะสังสารวัตรเนี่ยภาคคราหมเหสีของอาลีนจิตอาลีตอาลีนะสัตตะเนี่ยก็คือพระมารดาของพระราหุลอาลีนะสัตตะกุมารสัตตุอาลีนะสัตตุกุมารก็คือพระโล ก, กนาฏโล ก, กนาฏโล ก, กะนาถะเนี่ยนะนาโทบและ ว, วาที่พึ่งพระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกโปร่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสานั่นเอง ในเรื่องนี้ควรจะกล่าวถึงคุณธรรมประกาศคุณอนุภาพของพระภูธิสัตว์อย่างนี้เช่นการที่พระองค์เนี่ยห้ามพระบิดาสละชีวิตของตนเพื่อรักษาชีวิตของพระบิดาจึงตัดสินใจว่าเราจะไปหาพระยาโพธิสัต์อันนี้ก็เป็นคุณธรรมที่เรียกว่าทำได้ยากเนี่ยนะเรียกว่าให้ชีวิตแทนที่จะคิดว่าพ่อแก่แล้วพ่อตายก็ไม่เป็นไรรอลูกยังนมลูกจะได้สเสวยสมบัติต่อไมนะก็สละชีวิตเพื่อ พ่เพื่อแม่การที่วางสาตราเข้าไปเพื่อไม่ให้บริษัทนั้นหวาดสะดุ้งอันนี้ก็ถือว่าพิเศษเนี่ยนะเป็นคุณธรรมที่พิเศษกลัวเขาจะตกใจเนี่ยนะกลัวเขาจะกลัวก็เลยไม่เอาอาวุธไปขณะเดียวกันไปถึงก็ไม่ได้ไปแหมไปมือสัน่นง้กลัวตายไม่เข้าไปเจราจาด้วยถ้อยคำที่น่ารักปิยะบาจากับพญาบริษัทนั้นด้วยหวังว่า ศีลของเราอย่าทำลายศีลของเราอย่าขาดเลยถ้าเกิดไปดา่าไปว่าไปร้าเดี๋ยวศีลตัวเองจะขาดถ้าช็อกตายตรงนั้นจะว่าไ ง, ไงไงนะมีการไม่มีความสะดุ้งต่อความตายทั้งๆ ท, ง ท, ง ท, งที่พระโพลิสัทีโปลิสานั้นคมขู่โดยนิยะต่างๆจะไปกลัวตายทำไมนะฟังฟั ง, ฟงคิดนะท่านก็มีเหตุผลของท่านนะหนึ่งใครที่ตายเพื่อพ่อตายเพื่อแม่ก็สวรรค์แน่นอนเหตุนนผลที่ 1-2 เหตุผลที่2อะไร ชีวิตของสัตว์มาเกิดมามันก็ตายแน่ไม่ตายวันนี้ก็พรุ่งนี้ไม่ตายปืนนี่เดี๋ยวมันก็ตายวันยังค่ำนั่นแหละเหตุผลที่สามบาปก็ไม่ได้ทํามารู้อยู่แล้วไหมตายไปสวรรค์ตายแล้วก็ไปสวรรค์ตายมันไม่ตายวันนี้ก็ตายวันหลังตายวันนี้มันแน่นอนดีอย่างเงี้ยทำไมว่าจิตยังเป็นบุญนะวันหลังนี่เกิดไม่แน่ถ้าเกิดไปทําบาปหลงตายจะว่าไงขณะเดียวกันตอนนี้ยังนึกถึงบาปไม่ออกเลยนะอเหมือนเราเนี่ยนึกไปตรงไหนก็มา แล้วงเรียไม่เคยได้ทำบาปเหมือนกัน <c oughs> นึกถึงบุญแล้วสวดมนต์มาตั้งหลายวัดนะโรงเรียนเนาะ <c oughs> ไปสวดมาตั้งหลายโรงเรียนนะ ว, วันนี้ก็ตั้งสวดตั้งก็เชา่าโรงเรียนต่อไปว่า <c oughs> การร่าเริงยินดีบอกว่าเรานี่จักทําร่างกายของเราให้มีผลประโยชน์ของพระบิดาหมายว่ายกชีวิตนี้ให้พ่อสละชีวิตนี้เพื่อพ่อ ต่อไปการรู้ภาวะของตนที่ไม่คํานึงถึงชีวิตเพื่อบริจาคในชาติเป็นกระต่ายซึ่งแม้เท้าสักกะก็ไม่สามารถข่มได้ท่านมีปัญญาท่านหลือกชาติได้นะว่าท่านเคยเป็นกระต่ายเท้าสักกะยังข่มไม่ได้แล้วเราเป็นมนุษย์แล้วท่านเป็นใครท่านจะมาข่มเราว่างั้นต่อไปการไม่มีความผิดปกติแม้เมื่อถูกสมาคมปล่อย หมายเขาว่าตอนที่จากจากมหาสมาคมมาเนี่ยท่านไม่ได้ผิดปกติเลยจิตใจไม่หวั่นไหวเลยการรู้การรู้ไม่ผิดพลาดของความเป็นมนุษย์และความเป็นพระเจ้าลุงของบริษัทอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญญาของท่านท่านไปนมีปัญญามากเป็นคนที่ละเอียดละออทีท่วนมากรู้เลยว่าถ้ายักยเป็นยังไงถ้ามนุษย์เป็นยังไงแล้วท่านิคนนี้เป็นลุงของเราเนี่ยสามารถคํานวณออกได้เลยเนี่ยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็น ปัญญาของมนุษย์ที่ถือว่าแบบนี้คิดได้ยากความเป็นผู้ไข่ความเป็นผู้ต้องการเพื่อให้โบริษัทนั้นดํารงอยู่ในราชสมบัติอันเป็นของตระกูลเพียงได้รู้จักกันพอเห็นหน้ารู้ว่าเป็นลุงเนี่ยให้กลับไปคลองบ้านครองเมืองเลยนะเป็นคนที่ไม่ตระหนี่ว่าสมบัติควรจะเป็นของผู้ใดก็ควรจะเป็นของผู้นั้นเนี่ยนะเพราะผู้ใดควรได้โดยชอบธรรมก็ควรจะเป็นของผู้นั้นเนี่ยนะมันก็ถือว่า จิตใจเนี่ยของท่านเนี่ยเมตตาท่านมีเสมอน้อมไปเพื่อให้เขาได้รับประโยชน์ถ้าหากว่าถ้าจิตใจของพระโพธิสัตว์เป็นจิตใจที่คคบแคบเนี่ยนะเห็นโจรองคุลีมานเนี่ยนะฆ่าคนมา999ยกิกคนเนี่ยโดยปกติทั่วไปนี่ใครก็อยากจะแช่งให้ตกนรกกันทั้งนั้นใช่ไหมแต่นี้ไม่ท่านน้อมเอาอภินยาหกไปให้องคุลิมาน่ะเอื้อมอภิน ญ, ญาหกให้อ่ะ ให้พระองค์ุรีมาเนี่ยประกอบด้วยรูปสมาบัติอรูปสมาบัติมรสีผลสีนิพพานหนึ่งและอภินญาอีก6ประการเนี่ยนะพันธ์พระองค์ยื่นประโยชน์เหล่านี้ให้พะนธ์พระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่เกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เหล่าสัตว์อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งว่าการน้อมให้โปริศาสได้รับสมบัติแม้อดีตชาติฉันใดาชาติปัจจุบันก็ฉันนั้นเนี่ยนะฉันแต่ว่าอดีตชาตินั้นเป็นโลกิยะนะเป็นสมบัติของมนุษย์ หยิบยื่นมนุษยสมบัติให้แต่พระพุทธเจ้าหยิบนิพพานสมบัติให้แก่พระองคุลิมานตอนท้ายการให้ปริศาสเกิดความสลดใจในการแสดงธรรมแล้วให้ตั้งอยู่ในศีลบวชได้นะก็สอนได้ท่านมีปัญญาสอนเรียกว่าเพชฌฆาตฆ่าคนกินคนเนี่ยให้บวชรักษาศีลได้เนี่ยทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าคนปกติม่ทำไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดา อันนี้ก็เป็นคุณธรรมอีกชาติหนึ่งเป็นบารมีที่พระองค์ได้ทำมาเนี่ยนะก็ชื่อว่าไม่ง่ายที่จะทำได้เช่นนี้ภาษาสดาของเราที่เก่งจริง ๆ, ๆนะ